สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสรนสนีสนทนาดำเนินรายการโดยดิฉันสรนสนีนาคพงษ์ค่ะเมื mm. ่อวานนี้ดิฉันได้พูดไปนะคะว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าใช้คำพูดตามธรรมปัญหาของตัวเองก็ไม่เกิดปัญหาระหว่างบุคคลก็ไม่เกิดปัญหาใหญ่ๆก็น่าจะเกิดได้น้อยวาจาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ ว่าเป็นวาจาที่ควรพูดและวาจาที่ไม่ควรพูดมีอยู่ในหลายพระสูตรเมื่อวานพูดถึงวาจาของคนดีหรือว่าวาจาของสัตบุรุษไปวันนี้ก่อนหน้าที่จะเข้าไปฟังพระสูตรที่พระมารคกชาควโรแห่งวัดนาปาพงลำลูกกาคลองสิบจะได้หยิบยกเอามาจากหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์ที่ก็อยากจะพูดถึงเรื่องวาจาของ คนไม่ดีหรืออสัตบุรุษนะคะโดยพระพุทค์นั้นได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบได้ทำสีประการเป็นที่รู้กันว่าเป็นอสัตบุรุษ4ประการคือแม้ไม่มีใครถามถึงความดีความไม่ดีค่ะของบุคคลอื่นแม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถาม ถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่มีทางเลี้ยวลดหย่อนและกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างเต็มที่โดยพิสดารภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอาสัตบุรุษถ้าหากว่ายัางไม่ชัดเจนนะคะฟังอีกครั้งดิฉันจะพยายามทำความเข้าใจแล้วก็กลับเรียนท่านผู้ฟัง พระพุทธองค์นั้นตรัสโดยสรุปดังนี้นะคะว่าถ้าหากว่าไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของคนอื่นแต่เราไปรู้มานะคะแทนที่เราจะอยู่เฉยๆเราก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถามอย่าไปกล่าวถึงแต่เมื่อถูกใครถามแล้วนะคะสมมติว่ามันต้องตอบบางอย่างน่ก็ไม่ตอบไปเต็มที่ ว่าเขาไม่ดีสรพัดสรพันมากมายคือพระพุทธองค์บอกว่าให้เอาปัญหาไปทำให้ไม่มีทางเลี้ยวลดหย่อนแล้วกล่าวถึงความไม่ดีของคนอื่นอย่างเต็มที่โดยพิสดารคือไม่ทำให้ลดลงแล้วยังไปพูดจำแนกแจกแจงอย่างละเอียดอีกพิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตบุรุษนี่ก็เป็นเรื่องของวิธีของพระพุทธเจ้านะคะ ในการที่จะพูดอย่างไรให้เป็นสัตว์ปรุษหรือว่าเป็นคนดีพูดแล้วคนอื่นเขาก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนเป็นวาจาตามธรรมค่ะในส่วนของสิ่งที่ที่ฉันอยากจะนำม า, มาพูดกับท่านฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือในวันนี้เนี่ยอาจจะมีการพยากรณ์กันไปต่างๆนานาว่า โลกมันจะแตกแล้วดิฉันได้ยินอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่ามีการพูดว่าโลกกําลังจะแตกหรือว่าเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองบางทีก็จะมีการเอาคําพูดของโหนออกมาทํานายส่วนใหญ่ที่จะทําให้เราตกใจก็คือทํานายไปในเชิงที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะเช่นอาจจะนําพาไปสู่สงครามหรือ เอาเรื่องของกรุงเทพอย่างเงี้ยคนกรุงเทพส่วนใหญ่ถ้ารู้ข่าวนี้นี่ก็อาจจะกลัวมากก็คือบอกว่าพื้นดินของกรุงเทพเนี่ยภายในสปีข้างหน้าอาจจะจมหายไปในท้องทะเลสมควรที่จะทำเขื่อนหรือไม่งั้นก็ต้องหาเมืองหลวงใหม่โดยบอกว่าทางแถบอีสานใต้เนี่ย จะเป็นที่ที่เหมาะสมมากกว่าเพราะว่าไม่มีรอยร้าวของเปลือกโลกแต่ทางภาคเหนือจะมีอันนี้นี่ก็เป็นการกล่าวแล้วก็มีการอ้างถึงการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้เชื่อนะคะแต่หมายความว่าเราไม่อยากให้ตกใจจนเกิดใบคือต้องมีสตินะคะแล้วก็คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันแก้ไขและอย่างประเด็นโลกร้อนอย่างเงี้ยพูดกันเยอะแยะมากมาย ดิฉัคิดว่าเรื่องโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนจํานวนมากเราก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือที่ตัวเองก่อนนะนะคะว่าเราต้องซื่อาสาตยกับตัวเองว่าสิ่งที่เราทํำกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยให้โลกเดือดร้อนมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือที่จะทำให้มันไม่เกิดยกตัวอย่างเช่นเขาบอกการลดการใช้ทรัพยากร อย่างไปช้อปปิ้งอย่างนี้ น, นะคะเขาบอกว่าวะอะไรนะให้อย่าใช้ถุงพลาสติกเยอะให้มีถุงส่วนตัวของเราเองที่ใช้แล้วใช้เล่าได้อีกการใช้น้ําอย่างประหยัดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเนี่ยดิฉันว่าจะต้องปลูกฝังและไอการโฆษณาต่างๆของสินค้าเนี่ยต้องได้รับการควบคุมนะคะว่าคุณกําลังปลูกฝังนิสัยของคนที่เป็นผู้บริโภคให้บริโภคเยอะๆหรือเปล่าวันนี้บางทีของถูก แต่ใช้ไม่ทนดิฉันว่าไอ้ตัวเนี้ตัวสร้างปัญหากับโลกในส่วนตัวนะคะคือมันใช้แล้ทิ้งใช้แล้ทิ้งเลยสร้างนิสัยคนว่าอะไรก็ต้องง่ายๆอะไรก็ต้องทิ้งไปก็ไม่ได้หมายความว่าต้องให้เชื่อดิฉันไปสักทุกเรื่องนะคะเพียงแต่ว่าอยากให้ช่วยกันคิดมันจะได้เกิดกระแสความคิดช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกส่วนเรื่องโลกที่จะแก้ปัญหาโดยธรรมเดี๋ยวเราไปพบกับพระมาร์กชาคาวโร แห่งวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบในช่วงถามโลกตอบธรรมกันค่ะ